ควมเด็ดขาดในกวมกล้าหาญสามารถประเตินกับคนจริงๆแล้วโอ้เมื่อวานนี้เราไม่ทำตรงนี้วัด น, นี้มันคิดจะดูนี่ไม่ไปทําอย่างที่มันเป็นมาแล้วไม่ต้องทําเอาปัจจุบันนี้ลองดูมันทําดูเถอะคิดว่าความสงบจะเกิดขึ้นมาให้บุคคลนั้นได้รับความสงบไม่ใช่ไปนนั่งให้มันสงบนะสงบจากโทสะ จะงกจากโมหะสงกจากโลภะนี้เองแต่ความคิดแต่มันคิดขึ้นมาเราเห็นว่าความคิดประเภทนี้มันดูด้วยโทสะความคิดประเภทนี้มันมีหลักษณะโมหะความคิดประเภทนี้มันมีหลักษณนโลภะเราเห็นเลือกคัดจัดเอาส่วนที่ดีมาต่อได้เป็นปกติจึงว่าคนนั้นจึงมีศินเนี่ยสิลจึงแปลว่ากําจัดกิเลสอย่างหนักําจัดกิเลสโทสะโมหะโลภะกาจัด กิเลสตัณหาอุปาทานได้ด้วยถิ่นจึงมีจึงบักกําจัดกิเลสอย่างยากอย่างไรอย่างนั้นสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางก็ควมสงบที่มันหลอกเราให้เราไปนั่งทําคนสงบนี่ถ้าเราไปนั่งคมทําทำคมสงบทุกคนในบ้านเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่บ้านกํานัลต้องมีครูโรงเรียนต้องมีทหารมีตํารวจถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีกนานัลบ้านเมืองก็เดือดร้อน ถ้าไม่มีโรงเรียนครูโรงเรียนก็ไม่มีที่สอนเมื่อไม่มีครูโรงเรียนสอนนักเรียนก็ไม่มีคนารู้ถ้าไม่มีตำรวจไม่มีทหารผู้ลายก็ซุกสุมเข้ามาถ้าไม่มีทหารบังเนี่ยเรียกว่าภครข้างนอกภนะัย ข, ข้างนอกอยู่ประเทศชาติบ้านอูนนอ่นเมืองอู่เขาจะมาลบหลาดข้าฟันเราต้องอาศัยกาําลังทหารถ้าเราไปทําคนสงบหมดแล้วอาเราจะจึงเข้าที่ไห น, นคนใดจะทํานาทําสวน คนใดจะคิดให้บ้านเมืองอยู่เยี่เป็นสุขไปได้มันก็ต้องสงบแบบนี้ที่ที่หลวงพ่อเข้าใจเป็นอย่างไรแต่คนอื่นจะเข้าใจอย่างไรไม่ทราบเนี่ยที่ว่าทําความสงบเนี่ยทําได้ง่ายแต่ให้รู้จักจริงๆถ้าไม่รู้จักแล้วมันก็เป็นปกติไม่ได้เมื่อไม่ปกติแล้วคนจะมีศินไม่วันนี้ก็ไปหลอกคนนั้นพรุ่งนี้ก็จะไปหลอกคนนั้น มันจะมีสินไหมอย่างนัไม่มีสินะแต่ว่าให้รู้จักวิธีพูดนะจะพูดเหมือนเดิมไม่ได้นะให้รู้จักกาละเทศะในขณะนี้นะ่ะถ้าไม่พูดอย่างนี้ตัวเราต้องตายท่านก็ต้องให้รู้จักวิธีผสมที่ไปพูดเกี่ยวกับแก้ปัญหานะไรอางนี้ถ้าจะพูดตรงๆมันไม่ได้วันนี้สมมุติผู้ร้ายจะเข้ามาบ้านเราเราคนเดียวผู้ร้ายหลายคนนะเราจะสู้เขาได้ไหมไม่ได้ กำนันพอใหบ้านเขายุดกาตำรวจทหารเขายุการเราจะทำยังไงก็ต้องหลอกเขาบ้างเป็นอย่างนี้่รู้จักการเวลาจะควรไป้วทีไหนตรงนี้อ่าคุณกินข้าวกอนนั้นอย่าเพิ่งออกหงนออกแตงขาอาหารนั่มันกินเนี่ยอะไรต้มคนกินสุกันกินคนไม่กินข้าวดีแล้วก็ต้องมีคาพูดกันนี่อันนี้ต้องคนแก้หลอกกันเองมีเรามีจับตองคนออกไปตามไปูมาไปตามไปร้ารีบไปมาพอดีตำรวจทหารมาแล้วพวกนักธมา มันต้องมีเทคนิคมีกลไกการดูคมคิดก็เช่นเดียวกันท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนดังนั้นจี่ว่าควมปกตินั่นคือวคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่จะเป็นปกติการแก้ไขเทในใคนิคใหญ่ก่อนแก้ได้สบายเพราะมันไม่มีคนหลงผิดแล้วนี่ท่านสอ น, นแก้ด้วยสติปัญญาท่านแก้ไม่ใช่แก้ด้วยโทสะโมหะโนภะไม่ใช่ อ, อวดกล้ามอย่างนี้ คนอวดกล้ามปูมีกำลังอ่าคนเดียวไปต่อสู้จากสิบคนเขาต้องเส็จทีเดียวใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นเดียว ใ, ให้รู้จักวิธีแก้การแก้ปัญหาการแก้อะไรทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอนั้นดังนั้นคำว่าความสงบนี่มันมีความหมายส ง, ามสงบจากความสงบจากความสงสสงบจากโทตะโมหะโลภ สงบจากความเดือดร้อนความเศร้าซึมให้ว่าสงบจากสิ่งเหล่านั้นปราศจากความเป็นผู้ทุกข์ความเป็นผู้ทุกข์ไปแล้วเราสํานึกได้ว่าเออนี่จะไปติคนนั้นคนนี้เหมืนไม่ได้ติเราเองดีกว่าสมมุตินะเราอยู่ด้วยกันอยากสิทธิคนหนึ่งคนหนึ่งมาโกรธเราบ้าเราโกรธเขาบ้ น, นงเราโกรธเขานะแล้วคนที่โกรธลุนกับคนที่โกรธครอนใครจะดีกว่ากัน ก็คนที่โกรธลุนนี่ที่เลวร้ายที่สุด ก, กร็รู้จักว่าคนโกรธไม่ดีอยู่แล้วนีไ่ไปโกรธทำไมใช่ไหมให้คนนั้นโกรธคนเดียวเขามันไม่สบายด้วยเราอ่ะออแล้วก็คิดให้มันดีแล้เขาโกรธเขาเป็นทุกเขาทุกคนเลยเพราะผมรู้ไม่เท่าเธอเขาหลงผิดเขาไม่รู้ให้เขาโกรธไปคนโบราณท่านสมมติว่าเหมือนกับบุกคนคนหนึงซุ้มไปเผาทองตาสูงเสียฟ้านั้นมันไม่เคยร้อนเลย กองไปใหญ่เขาจะก็สุ้มไปนี่คันมหมดเสื้อแล้วก็ไฟมดเองอันนี้ก็เหมือนกันคนโกนเราเราก็นั่งเสยไปเขาเห็นเราไม่โต้อตอบเขาเขาก็จะยุดเองเขาเนี่ยคันฟวร์โกดี่ไม่มีคุณอะไรเลยมีแต่ทุกมีแต่โทษเท่า น, นั้นเองถ้าเราคิดได้อย่างนี้โอคนนี่มันไม่เหมือนกันจริงๆกิริยาทา่าทางสติปัญญาไม่เหมือนกันจริงๆเราก็รู้ได้อย่าง อันนี้ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้แรียวควสงบไปทําอยู่ที่ไหนมันก็ได้อันนี้คนนั่นพูดให้เราเรื่องเรื่องมึงไม่จลกกูรือเนี่ยอันถ้านเป็นพ่อเป็นแม่กูลูกเขาทําไมจะไม่รู้จักก็พ่อแม่จริงๆแล้วทําไมจะไปพูดอย่างนั้น เ, ออเขาไม่รู้เขาเป็นลูกเราเขาไม่รู้เขาเป็นน้องเราคนที่มีอายุกว่าเขาไม่รู้เขาจึงพูดอย่างนั้นพ่วมผิดของเขาเราจะไปเดือดร้อนทําไม ให้เขาผิดคนเดียวเขาแม้เขากําลังโกรธอยู่นั้นเราจะไปโต้ตอบโดยวิธีใดก็ตามสู้เขาไม่ได้ก็เหมือนเขาเราโกรธเขาแทนเ น, นี่ยสาดน้ําใส่กลองไฟมีแต่ไฟลุก บ, บึ้มบึ้มขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปทําวิธีใดพูดยังไงให้คนนั้นเข้าใจกับคำพูดของเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะกําลังโกรธอยู่ยเหมือนกับผ้าขาว เ, เนี่ยสีต่างๆเอาผ้าขาวไปซุก ออกไปออกไปใส่น้ำสีในว่าซุปบ้านของคนในวัดซุกเอาไปตัวน้ำสีสีมันต้องกินเสมอไปวันนี้เราจะเอาน้ำเอาผ้าขาวเนี่ยไปทำให้มันสะอาดเหมือนเดิมมันสะอาดไม่ได้่เป็นอย่างนี้โคนที่โกรธนั่นะเราจะไปทำอย่างไรให้มันเข้าใจกับผมไม่โกรธมันไม่เข้าใจอันนั้นเขาเรียกว่าผููทุศน์ถึงจะเป็นพระเป็นเนรกระดุญะเป็นา่างพวกเราก็ยังเป็นภูทุศน์อยู่นั่นเองถ้าเป็นโยมเนี่ยโยมทำได้โยมก็เป็นพระได้ อันนี้สงบง่ๆบัด <c oughs> น, นี้เอาพูดกันเรื่องที่สุขของพุกนะบัด น, นี้แกพูดในฝันวันนี้เพราะเวลาก็าพูดมาก็านานแล้วที่สุขของทุกเนี่ยเราทําอย่างนี้มันจะหลุดจากตัวมันเองเหมือนกับน็อตน็อตมันม ก, ก็มีเกี่ยวแหวนก็มีเกี่ยวเราหมุนเข้ากันอย่างนี้มันก็อติดกันแน่นเข้าทุกทีบัด น, นี้เรามาจับหมุนคายเ <c oughs> พราะนี่มันคายไปแล้วก็ตกออกจากมันเอง เมื่อมันโตออกจากมันเองแล้วก็มันไม่มีเกี่ยวเลยบอนนี้พอดีมันออกมาแล้วก็สมมุติเอาหนะาเอาเล็กสบายไปไปถูเกลียวมานี้ออกเนี่ยไปถูแหวนนี้ออกมันนี่ก็หานเข้าไปมันไม่เข้าเลยตอนนี้จับมันก็ตกปุ๊บจับตัวนี้ขึ้นมาหลุดออกอันนี้ที่ต้องพูตัวคนนี้มันมีทุกคนอยู่แล้วดังนั้นธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ายุคสมัยเหล่านี่คนพบกันเลย ให้ติดท่านว่าท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นำมาสอนแต่ท่านสอนของจริงที่มันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่มีนะหลวงพ่อพูดนี่มีทุกคนแต่เดี๋ยวนี้นี่ทุกคนนั่งอยู่เนี่ยสบายใจพอดีออกจากที่นี่ไปเห็นลูกต่างๆชอบแนะแหนะแหนะมันมันไม่มีแล้วอันมันไม่ชอบนั่นน่ะมันมีขึ้นมาแล้วอันชอบนั่นน่ะมันก็มีขึ้นมาเลยอันมันอยู่เฉยๆไม่มีแล้วนี่กน ทำที่มีกฎอย่างนี้จากนายหายสูนญเนี่ยทำที่มีเป็นปกติเราไม่เคยดีอ่ามันคิดผิดแล้วบางทีเนี่ยไปชอบคนนั้นไปชอบคนนี้ไม่เป็นปกติแล้วกูณอ้าวแล้วกันทุกแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราศึกษาเข้าไปจวนจวนเข้าจะถึงที่สุดของทุกแล้วเมื่อไปถึงที่สุดของทุกแล้วมันหายตัวมันเองมันคหายตัวมาจริงๆคราวนั้นอาตมากําลังเดินอยู่ประมาณเที่ยง นเนี่ยพอเดินจูงมก็ได้ย่งางก็ได้ธรรมดาคนนี่มันต้องมีย่ามมีนั่งมีนอนมียืนอย่างกลับไปกลับมาไม่รู้อะไรเลยไม่นึกไม่คิดเลยดูจิตกรมคิดเท่านั้นเองมันคิดปุ๊เหมือนแมวมีกําลังพุ๊บจับทันทีมันคิดปุ๊จับทันทีนทนทหนูกด่าพ่อตอนนี้จูง้าเนี่ยหลุดออกไปเลยแต่ไม่ใช่ผ้าหรือจริงๆมันหลุดออกไปเบาตัวรผ้า นึกมาตัวเองวิทย์ดินขึ้นไปจากเม็ดหนึ่งพุดงแต่ควมจริงยางอยู่บนดินนไม่ได้นึกได้คิดว่าจะเป็นอย่างแม่คำสอนของพระเจ้านี่แปลกประหลาดที่สุดเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่อาตมาพูดนี่จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้คาดคิดเอาไม่ได้จึงว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำราไม่ต้องขึ้นอยู่กับคาพูดขึ้นอยู่กับการกระทาทาให้มันเป็นเอง รวมเป็นเองมันไม่อยู่แล้วทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าุกธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามณีก่อนพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าไปนค้นพบแล้วจึงนํามาสอนท่านโกเลยบอกว่าสัตวทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันเมื่ อ, อยังไม่รู้ก็คือกันต้องสอบแสวงหาเที่ยวไปยังนรบ้างสัตทั้งหลายเหมือนกันกันกบเราตถาคตต้องมีแค้งขาหน้าตาหรือเท้าเหมือนกัน ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือ น, นบัดนี้ัลทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เราไม่ทําตามพระพุทธเจ้าเราไปทําตามใครที่ไหนพวกไม่รู้ขันธธรรมสมบที่ก่าจะแต่นั่งทำจริง แต่อาตมาไม่ได้ห้ามนะต้องทําไปเยอะทำอะไรก็ทำไปตามผกคิดเห็นแต่ตัวอาตมานั้นทําทุกุ่นหายใจมันคิดมาก็ต้องรู้ทันทีนั่งอยู่อย่างนี้พูดหยุดต้องมองเห็นจุดนั้นจะเลยไปที่นั้นพูดอย่างนี้ก็ต้องต้องการมันจะไปที่นั้นแต่การดูการเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกมันคิดให้รู้สึกมันจะเข้าไปเหมือนกับสายน้าทีแรกฝนตกใน ภูเขาก็ตามบ้านหลงเาเรียกภูเขาตกโดยน้อยสายน้ำมันจะมารวมตัวกันเข้ารวมตัวเขาลงใส่แม่น้ําแม่น้ําเล็กๆนั้นมันจะลงมาใส่แม่น้ําใหญ่แม่น้ำใหญ่มันจะลงไปใส่ทะเลทั้งหมดนั่นเป็นอย่างนังนั้นคนทุกคนต้องจะมารวมจุดนี้การให้ทานก็จะมาลงจุดนี้การรักษาศีลก็จะมาลงจุดนี้การไปทําสมถะกรรมฐานก็จะมาลงจุดนี้การเจริญนิพพานก็จะมาลงจุดนี้ ถ้าเรามาทําจุดนี้ทีเดียวมันจะเป็นยังไงผิดไหมไม่ผิดนะเออนี่อาจารยมามาเข้าใจว่ากินกล้วยหน้าปอกบ้านอาจารมากินกล้วยก่อกหน้าได้แต่เราไม่เข้าใจแต่ปลอกกล้วยดิบมันก็ต้องติดมือแล้วบ้างนะยางมาติดนมืนติดนีดหาวิธีปอกกล้วยให้มันเิดท่าวิธีปอกกล้วยติดก็เหมือนกับปอกกล้วยดิบมันเองมางดีเอามีดไปปาดกล้วยดิบยางมาติดมีดเลยด้วยเคยเห็นไหมไม่เห็นยางมาติดนีเข้าใไป ก็ไม่รู้จักวิธีบอกมันนั้นเองหมายถึงทำรติงรัฐ ก, ก็ได้อะไรก็มันจะมายยมจุดนี้นี่มันเป็นที่นํามาเราให้ฟังวันนี้ก็พอที่จะจะไปไดูไปได้แต่เราต้องทําไปจนหมดลมหายใจถ้า พ, พระเจ้าเองเ้าทําจนหมดลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อใดก็ต้องหยุดกันเมื่อนั้นการทําอย่างนี้มันเป็นสมบัติของเราจริงๆคนอื่นจะยืดยื้ให้เราไม่ได้ คนอื่นเป็นเพียงแต่แน่เหนียวเท่านั้นดังนั้นคนทุกคนต้องทําการทํางานตามหน้าที่อย่าไปตะหน้าที่ของเราเราเป็นพระสงฆ์องค์เคนรเขาต้องทําการทํางานตามหน้าที่พระสงฆ์องค์เนรแต่ทําให้มันถูกต้องและเป็นครูโรงเรียนคุณก็เป็นครูโรงเรียนนั่นเองนะครับเป็นหน้าที่สอนนักเรียนให้มันถูกต้องและเป็นตนํารวจทหารก็มีนะบางคนเขามานี่จะจะมาไม่ถึ้ คัน่าเป็นตำรวจทางหานก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ถู ก, กต้องถ้าทุกคนทำการทำนานตามหน้าที่เราความสงบเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปเรียกร้องหาผมสงบเท่าไหร่เมื่อทำซั่วอยู่แล้วความดีมันหายไปเมื่อทำดีอยู่แล้วความซั่วมาไม่ด้แต่ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทั้งนั้เพราะคนดีมันมีอยู่ในเราทุกคน น, นี่เจ้าความสงบใกล้ๆมันไม่ไกลอึกใจเดียวเขาได้ ถ้าหาทุกคนรู้จักวิธีแก้ไขรู้จักการแก้ปัญหาตัวเองโลกทั้งโลกสงบไปดังนั้นจะเป็นโลกที่ไหนก็ตามจะเป็นคนชาตใดประเภทไหนก็ตามมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งถือศาสนาถือศาสนาชิกถือศาสนาอิสลามชิดกลงเต๊กกลงเต๊กอะไรอาจมาก็ามเมนต์้ยเส้นเส้นอะไรท็ามาคมดก็เป็นคนเหมือนกันนี่เอง ถ้าเรามาจับจุดนี้แล้วก็โอ้มันจุดเดียวกันทั้นี้เองนิทานเด่นท้ายที่สุดนี้อาตมาได้นำธรรมะม า, มาเราสุกสัง่งเป็นบทเปสั้นอาตมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอน ข, ขององค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้ศึกษาตัวเองได้เห็นสีวิตติตใจของตัวเองและก็ต้องปฏิบัติสีวิตติตใจของตัวเอง ให้เข้าสู่สภาพเดิมของเราไปถึงที่สุดของทุกในชีวิตนี้จงทุกทา่านทุกคนเจอถ้าอย่างพูดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเนะนี่ทีนี้เราก็เอาสติของเราเนี่ยเข้าไปไปสังเกตคือเกี่ยวเรื่องไอเรียาบทของเราที่เราเราทำเนี่ยนะแล้วมันก็หยุดไปอันนี้มันเป็นเป็นการที่มันไปกดมันหรือเปล่าอย่างนี้ ก็เริ่มต้นเมื่อแมวยังตัวน้อยๆเราต้องบังคับมันได้อันนี้ว่าแก้เหตุผลคือรู้จักมันโกนแ ล, ล้วเราจิตใจแก้มันไม่ได้ผลดี ต, นนต้องรู้ก่อนมันที่ต้องรู้ก่อนมันต้องรู้ก่อนมันที่เริมจิตใจมันนึกคิดขึ้นมาเราเห็นก่อนเราต้องเห็นก่อนต้องเห็นก่อนแล้ววิธีการที่จะให้เห็นก่อนเลยนะะก็มันนึกขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีทนึกขึ้นมาก็าต้ององโอ้มันนึกขึ้นมาแล้วก็ต้องเห็นต้อง มันไม่ทันนะคือมันไม่ทันะกนะรือบางครั้งเนี่ยมันปุ๊บออกมาพักเนี่ยแต่พอแต่มันมาที่หลังเรามาลูทีหลังแต่มันก็หยุดนะฮะหยุดเหมือนกันท่านี้มันช้ากว่าแต่มันต้องใช้กำลังแรงใช้กำลังหนักหน่วเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงจริงๆริมาฟุ้งเขาไม่ได้นะเออนี่ยผมบอกกำลังก็มีกำลังหนักต่ออันนี้เขาบอกแก้ด้วยเหตุการณ์หรือพอจบการมันได้จริงได้แก้มันในเหตุผล เราต้องแก้กรนแบบนี้โพอดีกันนึกเราเห็นครับโอ้มันคิดมันจะคิดแล้วเราเริ่มรู้เนี่ยว่รู้ผมรู้จึ่ว่าว่าจะติก็ได้ว่าจะมาติดก็ได้ว่าปัญญาก็ได้รู้รู้แล้วผมคิดมันถูกหยุดในควมคิดที่มันจะโกรธน่ยมันก็ต้องคิดไปเรื่องที่มันมีสติปัญญามันทำได้ทมกคนทั้งที่ไหนก็ได้ก็ พยายามทำไหมแต่ทำามมันมันมันช้าย่างช้าอย่าไปพยายามเลยถ้าแต่พยายามมันก็ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ให้มันลู้เซย์เซย์ให้มันรู้ทำให้เป็นไปทํามธรรมชาติเลยเออนั่นแหละเรเต็นไปตามธรรมชาติแต่ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆว่าพอคิดอะไรปั๊บก็รู้คิดอะไรปั๊บก็รู้เอนักมวยเนี่ยคุณเคยเห็นไหมคิดแรกมันต้องไปหัดซกับครูนะนานๆมันนี่คูก็ตรงซกคนเดียวเอกก็สอบตายมาผมก็เห็นคขาซกไป็ซกกับสอบตายไม่ซก บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เลยได้ขึ้นในเวทีซุกสนามไหมืนซุกสนามมาก็ยังแพเขาก็มีนะแต่คน <c oughs> คนนั้นไม่เคยกลัวเรียกแพชนะมันเป็นเกนกีฬาซุกไปบ่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยๆเวอร์เวอรเขานานๆเข้า่าสู้วิทีเวทีไหนก็ต้องชนะเวทีไหนก็จบเขาก็เป็นเต้นเตี้ยนนะอ <c oughs> ันนี้ผมพอดีมันคิดมานานๆเขาก็าลเลยนั้เขาทันเหตุการณ์ท้องหนันมันก็ใช้ได้แต่แตว่า ผมมติเอานะเหมือนกับแสงพระอาทิตย์นี่น ะ, ะในคราวใดเดี๋ยวนี้นี่แสงพอาทิตย์มันมืดมันเย็นมันปิศาจมันจะออกมามันลบห ล, ลบซ้อนซอนอยู่ที่ตัวเรานี่เมื่อแสงพอาทิตย์ทำคนสว่างขึ้นมาปิศาจมันหลบตัวทันทีเมื่อเราเห็นอยู่นี่มันหลบตัวมันไม่แสดงต้องเอาจริงเอาอย่างอย่าต้องทําเล่นๆมันไม่ได้ทำกับสิ่ี่ ต้องทํากินทําจังเอาสมนะมันจริงจริงเรื่องนะมันเป็นของสบายรขาจะสบายสบายแล้วคนเราต้องกาสิ่งที่ไม่ปวดใ่้เลยแต่ว่าสิ่งที่มไม่ปวดมันมีอยู่แล้วจะเรื่องอะไรกอย่างนี้เราก็ต้องฝึกจินเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็ที่มาเรียนานเมื่อวานนี่แหละอยากจะปฏิบัติแตนสงสัยติดเรื่อยสงสัยติดติดตัวนี้กันได้เนี่ติดตัวนี้ด้เข้ามาใกล้ๆเลยหอเน่เข้ามาใกล้ๆหลวพอมันใครพูดอะไรที่ไหนหลงออบก็สงสัยอยู่ด้วยก็อยากจะวฏิบัติบางทีก็นั่งหลับตาเมื่อวานนี้มาได้มากราบเรียนท่านท่านบอกว่าไม่ต้องนั่งหลับตาทนี่มาก ถ้านั่งดึงตาแล้วมันหยิตเราไม่สงบครับคนอยากให้มาสงบใช่ไหมครับผมความสงบเป็นนั่งหลับตาแล้วถ้าคนมาลักของคุณลักคองคุณหายไหมค้องหายแล้วคล้องหายแล้วคุณสงบได้ไหมไม่สงอคุณอายุกี่ปีแล้วก็ไม่กี่ปีอยากจะทําทําไม่ได้หลายีแลคุณทาไม่ต้องถามคุณอายุกี่ปีแล้วอายุห้าสิบ ๕๒ไหมครัแล้วครับคุณเรียนหนังสือจบด้านไหนก็เรียนมาโสมคยบวชมาก็เคยครับบวชกี่ปีบวชหลายปีครับทํางานอะไรเดี๋ยวนี้นีเป็นตำรวจรเป็นตํารวจเป็นตํารวจหรือเป็นนายร้อยหรือเป็นนายสิบอะไรนายร้อยครับผนายร้อยอะไรนายเอกนายเอกว่าคุณถ้าคุณเป็นนายร้อยเอกแล้วคุณไปนั่งสงบแล้วลูกน้องไปเอาของไปขายแล้วคุณจะทํำยังไง อย่างนี้ที่ครับผมกับเด็กเก่าเรียนพ่า sí อ๋อจะมีมันยังไงมันเปงนยังไนอยากจะทํำก็ทําไม่ได้สักทีออแบบนั้นยากกในสมองว้าวุนไปเรื่อยมันมันไม่อย่ากนะคุณคุณต้องเดินไปเดินมาทีแรกมันต้องคิดคุณจะรู้น้อยๆไม่ใช่จะรู้มากเหมือนกับคุณไปเรียนหนังสือเรียนสูงเนี่ยยังได้เป็นนายตารวจนะคุณเขียงกอไก่นี่กี่วันยังเป็น นานนะอ๋อเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกุจะเขียนจะทํำบรรยมัมเป็นมันไม่ได้เหมือนกับเขียนกอไก่ใช้เวลาสองสามวันมันจะไปเขียนกอไก่ได้บรรยัมเขียนกอไก่ได้สํานานแล้วยังไม่งามนะ <S <S บัร น, น, นี้ใช้เวลาจากปีหนึ่งนี่เขียนกอไก่ได้เขียนยังไงกุก็ อ, อ่านออกนั้น <S <S เออใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันแล้วคุ มันทําความสงบนี่ก็เหมือนกันมันจะมาในโลกไหนคุณก็รู้เท่าทันเหตุการณ์ก็สงบแล้วลูกน้องคุณนเป็นเป็นร้อยเอ็ดนี่มันมีลูกน้องกี่คน อ, อ็หลายคนเหมือนกันแต่ไม่แน่บางปีก็น้อยบางปีก็มากแล้วก็ไม่เหมือนกันนะจิตใจพวกลูกน้องนะไม่เหมือ น, นเออนั่นแหละคุณก็จะรู้โอ้คนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคุณก็จะรู้ที่คุณรู้บ้างไหม ก, กน็นั่นที่คุณสงบนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องจะไปขัดอง ม, มากก็ไม่ได้นะทําไม่ได้สักทีก็เลยก็เลยงงแล้วทีนี้ฟังอาจารย์โน้น อ, อาจารย์นี้ก็เลยยิ่งไม่รู้จะไปทางอาจารย์ไหนดีก็เลยงงองงใช่อาจารย์เปลืองนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์ <c oughs> มีไปหมดแต่ว่ายังไม่ได้อะไรสาารักทีกระทั่งบานเนี้คุณจะได้อะไร ก็อยากจะได้ความสงบความสงบมันมีแล้วคุณไม่รู้มันเท่านั้นเองอย่างที่พูดเนี่ยคุณเข้าใจอย่าไปทำความสงบอย่าไปทำมันอย่าไปทํามันเพราะมันสงบแล้วเนี่ยคุณยิ่งไปทํามันก็ยิ่งไม่สงบที่เข้าใจไหมก็พอจเข้าใจคนไปทำความสงบความสงบมันมีอยู่แล้วคุณยิ่งไปทำความสงบก็ยิ่งไปทำความเดือดร้อนจริ นี่หลักษณะที่หลวงพ่อพูดเอาจิตใจคนไม่เหมือนกันคันพูดอย่างนี้บางคนเข้าใจไปอย่างนึงถ้าพูดกับคุณต้องพูดอย่างนี้หลวงพ่อข้าพูดอย่างนี้พูดกับคุณเพราะคุณเป็นนายร้อยแล้วเนี่ถ้าคุณนายลูกน้องของคุณนะคนนี้มันกําลังโกรธขึ้นมามาหาคุณคุณจะโกรธกับมันมันไม่ได้เ<ม>อราวคุณก็ต้องหางานมันทำไปทาอันนั้นอันเนี้ยเดี๋ยมันก็ไปทําให้เรามันก็หายโกรธแล้วก็เรียกมันมามาสอนมันนี่จับการแก้ปัญหาต้องแก้หลายวิธี ผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนี่มันเป็นมันต้องแก้ให้ถูกจุดพวกกับคุณเนี่ยต้วะไปทําความสงบอีกแล้วคุณก็ยิ่งไปทําก็ยิ่งไม่สงบแล้วแต่คุณไม่ต้องทําเห็นลน้องมันโกรนมาเออมันจะทำอันนี้ด้วูคุณๆมันนี่เรียกมันมามันยั่งคุณใช่ไหมมันก็แล่นมาหาคุณคุณก็ต้องเอาไปทำงานนั้นให้ได้มันก็ไปทําดิไปทํความสงบมาแล้วคุณคิดเมื่อกี้เนี่ยมันทุกข์ไหมคุณทุกข์ อย่าไปคิดอย่างนั้นมันพปุ๊เนี่ยก็ไปว่าคุณสงบแล้วคุณสงบแล้วนะจึงไปเรียกคนไม่สงบมาหาคุณได้นะถ้าคุณเน่ยมึงโกูดมา ท, ทําไมมึงไม่กูเป็นนาร้อยเลยมันก็นยิง <c oughs> นี่มันไม่ได้โ <c oughs> อ้ห์เนี่ยท่านครับอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วทีนี่ว่าขั้นต่อไปนี่กับผมจะให้ทํำยังไงมันถึงจะนั่นนะน้ำใจนี่ต่อไปแล้วก็จะปฏิบัติยังไงไปเรื่อยๆทั้งว่าจะปฏิบัติธรรมะ ข, ขึ้น ให้เรื่อยให้มันสูงๆอะไรต้อนองนั่นหน่อไม่ไปเรียกในไอเดีมันมันสมมุติโูด์นะคือคุณต้องรู้สึกตัวคุณนั้นเองอย่าไปว่ามันลืมตัวไม่ออกคือให้มันรู้คุณยกมือที่กับมันรู้กำมือที่กับมันรู้ดีดมือที่กับมันรู้มันพลิกตาก็ให้มันรู้มันหายใจก็ให้มันรู้คุณนั่งเบื้องนี้มันเหนื่อยแล้วก็พลิกแบบบนนี้ให้มันรู้เวลาลุกเวลานอนทุกประเภท พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้ในอินทรียบุตรย่อยผู้เฉียดเคลื่อนไหวเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมได้ยินเออเนี่ยมันเคลื่อนไหวโดยวิธีเขาให้รู้แต่อย่าไปรู้แต่คลมคิดโดยเฉพาะกลมคิดนั่นมันจะลากเราไปให้มารู้อยู่กับตัวนี้ที่พูดเดี๋ยวจิวันสมุทัยทรงละเราไปละกลมคิดนั้นเท่านั้นเองเราก็มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้เมื่อมันคิดขึ้นมาเราฝึกมันบ่อยๆกับเหมือนนักมวยนี้เองวันนี้เรารู้จักจ สำนึกสานานความคิดขึ้นมาแล้วบัดนี้ควมคิดประเภทที่มันมาด้วยสติปัญญาคุณก็เลยโอ้นี่มันเป็นสติปัญญาล้วนๆอันนั้นมันเป็นเรื่องโทสะ<ม>เป็นเรื่องโมหะเป็นเรื่องโลภะคุณคนเลือกเอาได้เลยอย่างจะให้คนอื่นไปเลือกได้ทำไมอันนี้เรียกว่าควมุงบเออมันไม่มันไม่ต้องทําคุณเพราะคุณเคยเสอนลูกน้องแล้วเนี่ยว้เมื่อกี้เนี่ยเขาโกรธมาแหมปูก็มาดูใจปูลองดูที่เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเราก็มาดูใจเราที่บัดน แล้มานจะว่าบวกันเข้านี่เขาว่าเห็นเราก็ทําได้อันนี้เราคว่มผิดเป็นครูจะอย่าทําผิดอันนั้นเป็นคมผิดมาสอนเราเราจะไปจะเอาคมผิดคนอื่นมาฝึกฝนอบรมตนเองเอาคลามผิดของคนอื่นนะมาเป็นบทเรียนของเราไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทําผิดเราอ๋อไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอ้นั้นมืนไม่ได้คนทําผิดที่ไหนเราเออกมาเป็นบทเรียนของเรา เราก็ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเ ร, เราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความเป็นปุทุสูตรมันหายไปเมื่อใดเราไม่รู้ใช่ว่าคนทําดีอยู่แล้วความชั่วมันหายไปเองไม่ต้องรอคอยไทยที่ไหนวันนี้เรากําลังทําชั่วอยู่ความดีก็หนีไปทีวันนี้เรากําลังทําดีอยู่ความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณกาลังทําอย่างนี้อยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยความดีมันบังคับได้อย่างเข้าใจไหม ใจไกล้คุณแต่คุณต้องฝึกบ่อยๆอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยมันมันอย่างนี้เนี่ยทั้งทั้งที่บางทีฝึกเรื่องความโกรธเนี่ยหลายวันค่อยโกรธทีไม่ได้โกรธทุกวันเวลาโกรธบางทีก็ลืมตัวไปไปก็คิดได้มัเหมือนกันงแล้วออีกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องสตินี่ทําไมบางทีตั้งใจจะพูดจะอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกนี่มันยังไงมันนั้นทั้งๆที่รู้อยู่นี่จะทํา อันนั้นคุณคุณเข้าไปเนี่ยผมคิดคุณต้องมาให้มันรู้สึกตัวนี้มันรู้สึกตัวลูกเนี่คุณมารู้สึกตัวนี้มกับเสาตัวนั้นเสาตัวคิดเน่ยอยากให้มันเสาอยากให้มันหยุดนะคุณก็ต้องมารู้สึกตัวนี้รู้บ่อยๆมันจะสำนานเหมือนกับเขียนกอไก่นี่เองที่แรกเขียนตัวหนังสือมันไม่จบไม่สวยวันนี้เราหัดเขียนเข้ามันจะสวย ก็เหมือนที่ว่าเราฝึกบ่ยบอยๆมันก็เลยรู้รตัวไอเลืมสติเนี่ ย, ย, รยคยยรับผมในลายแต่บางทีเราจะพยายามชนะมันความโกรธบาีทีม่รู้รสึกตัวมันขึ้นมามันไม่รู้แ ล, แล้วก็ขายได้มันไม่รู้นรในขณะที่คุณโกรธคุณไม่รู้ครับคุณไม่รู้สุดๆคุณจะรู้อันนี้ก็บางทีอาจจะรู้คุณไม่รู้ใจคุณไม่เห็นใจคุณถ้าคุณรู้ใจคุณเห็นใจคุณแล้วนับรองว่าความโกรธไม่เกิด เพราะมันมีสติปัญญาอยู่ที่นั้นเพราะมันมีหลักฐานดีนี่แหละอุตาสาหะจึงเป็นที่พึ่งได้พุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรมคือธรรมอันนั้นเนี่ยธรรมที่ตรงนั้นเนี่ยจักมาให้ดูไม่เห็นตื่นที่ตรงนั้นเนี่ยเบิกบานอยู่กับที่อันนั้นอยู่วันุนกระจัดรวมเป็นอุทุสมได้เข้าใจนะเใจนะเออทําอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้ามีความสงสัยก็ไปถามครูบาอาจารย์องค์ที่จะพอแนะวิธีนี้ก็ได้หรือจะแนะวิธีใดก็ได้แต่นหลวงพ่อแนะวิธีนี้คนอื่นจะแนะวิธีไหนหลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อเชื่อมั่นว่าทุกคนทําวิธีนี้ได้เท่าะนั้นเองออเข้าใจไหมเข้าใจเออนี่ยแล้วอีกทำไงงา ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์อะไรที่ไหนนะครูบาอาจารย์เป็นติเสียงแนนวอาจารย์ดีๆของเรามันมีอยู่แล้วครูดีๆของเรามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้เพราะดีคนอื่นทำเนี่ยไม่ดีจะไปตำหนิเขาเลยไม่เคยตํานิหรอกเราไม่ดีเอาบทเรียนของเขามันจะผมชอบตำหนิเขาด้วยไม่เคยตำหนิตัวเองแต่ที่อาจารย์ต่างๆเขาชอบตำหนิแม้ทั้งอาจารย์ต่างด้วยเป็นธรรมชาติอย่านี้ไม่ต้องพูดคนอื่นน่ะ ไม่ต้องพูดเลยเราพูดตัวลาเินเท่าเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเล่อนเลื่อนตัว <laughs> ตำม <c oughs> ีตัวเรากตีวตวอย่าคิดตั ว, ว, นะตวเราเงินลงสือเล่นเล็กเล็กลูก ย า, ย, ยากโยมก็ยับคาไปใกล้ไกลแล้วฟังมันไม่ค่อยได้ยินนะเรียงหลบ ก, ก็ไม่ค่อยดังพูดดังไม่ค่อวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วเวันที่สี่วันที่สนะี่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่แล้วก็เดือนน เหนื่อยพุทธ พ, พ, พ, พาแล้วนะเห <ไป S 2> <ม>็นนี้ก็เป็นเวลา11 0มงกั บ, บ อ, อือนี่หลวงพ่อบ่ายโมง13 0 0งนะ13กับ8นาแล้วหลวงพ่อจะกันงีก็คนอื่ น, นจะเป็นยังไงการฟังธรรมะวันนี้ก็ เป็นการแสดงธรรมโดยที่มีคนถามถามประสบการณ์ของหลวงพ่อที่ทำนี้ทาให้ว่าบหลักพุทธศาสนาได้อย่างไรครับก็แต่ก่อนหลวงพ่อก็อไม่ค่อยรู้หลวงพ่อมาศึกษาตัวเองเยึ่งแต่รู้ว่าหลักพุทธศาสนานั้นมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือคือตัวคนนั้นเองตัวศาสนาน ศาสนาเขาว่าที่พึ่งคํง า, น า, าคหนึ่งศาสนาเป็นวิธีพึ่งคําหนึ่งศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านครูคําหนึ่งผมมีความเห็นว่า น, นะฮะว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ไม่หลุดไม่หลุดพน้นเลยคอับถ้าหาก ไม่เข้าใจศาสนาก็จะไม่หลุดพ้นจริงๆคําว่าหลุดพ้นเนี่ยทนไปนเข้าใจความหมายมันลึกล้ำเกินไปคําว่าหลุดพ้นในหมายถึงจะหลุดไปที่ไห น, นเพราะเราต้องหลุดพ้นจากความเป็นตัดเบลษาคาราวาได้ความเป็นปุถุชนการวาได้ถ้าหากเรายังเป็นปุถุชนอยู่ข่าวใดก็เรียกว่าเรายัง เป็นจัดเอกสารอยู่เพราะครูทุศนแปลกพูดหนาไม่มีความละอายกับเหล่าครูทุศเพราะสัตวดเอกสารปลอดภัยคือการจัดเอดกสารไม่มีอานถ้าหากไม่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้บอกหน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนแต่ไม่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้การศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นท่านให้ศึกษาเอาคนอยู่ใก้ แล้วเราจะนำหลักปฏิบัตินั้นนะมามาใช้ในการให้ตามจุดมุ่งหมายของศาสนาได้อย่างไรก็ศึกษาตัวเองศึกษาลงไปที่จิตใจของคนทุกคนมันมีจิตใจในวากายกับใจหรือว่ารูป ก, กับนามอะไรก็กายกับใจธรรมดาคนขึ้นบ้านในวากายใจภาษาธรรมะในวรรูป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 นี่หลักพุทธศาสนานี่คือทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาคำว่าพุทธศาสนาน่คือตัวสติตัวปัญญาของทุกคนแต่ไม่ได้พูดเรื่องสมาธินะคาว่าสมาธิเนี่ยมันเข้าใจไม่ตรงกันราวนานาจิตตังวามเห็นไม่เหมือนกันบางคนต้องไปนั่งทำสมาธิลุงพ่อก็เคยทำมาอันนี้ พูดเรื่องตัวเองที่ไปนั่งทําสมาธินั่นนะเพราะเราไม่รู้เราจึงทํำนะครับแต่รู้รู้เพราะเราทําสมาธิรู้แต่รู้อย่างไม่รู้แต่มันรู้ทำแต่มันไม่รู้วความถูกต้องมันไม่ ร, มมรู้แต่เราเห็นว่าทําอย่างนี้มันต้องแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านทํามาหมดแล้วสิ่งนั้นคำว่าสมาธินี่ตามตัวหนังสือเขาก็บอกว่า สมมธิต้องตั้งใจมัน่นไม่ใช่ไปทำสิ่งที่นอกเหนือจากการตั้งใจมัน่นคำว่าตั้งใจมั่นแล้วเราจะทำการทำงานพูดคิดต้องรู้สึกตัวถ้าหากไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นหน้าละอายมากที่สุดทำไมคนได้ทำการทำงานพุดคิดไม่รู้สึกตัวแล้วก็คายคายคืนว่างฟุ้งซ่านนี่ทำไม พ่หน้าละอายมากไม่รู้ตัวในการทําการพูดการคิดพราะเป็นคนลืมตัวลืมชีวิตจิตใจตัวเองมันชอบทำผิดพูดผิดคิดผิ ด, ดไม่มีความละอายร้ายไปบนนั้นไม่มีเลยในี่นักศาสต์โบราณหรือครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนี้มาดังนั้นมาที่นี่ก็ต้องแนะนําวิธีปฏิบัติให้เข้าใจสวดสมาธิกัน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 ทำการทํางานผิดเนื้จะไปทําการทํางานธุระหน้าที่อะไรก็ตามจะไปศึกษาเล่าเรียนหนังสือข้อตามคุณเรียนหนังสือจบสนไหนจบมาหาวิทยาลัยครับกุณครัมหาวิทยาลัยสั้นไหนปริญญาตรีครับรทีทำงา น, นเป็นรับรษษาชการรัฐราการรํารทำเรื่งไหนสี่หก เ น, นี่ยคนมันไม่เหมือนกันนะครับคนรูปไม่เหมือนกันแต่รรวา่าสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันและรูปร่างหน้าตาแข้งขาม K, ือเท้าคข้าข่สุกันแต่สติปัญญาไม่เหมือนกันบางคนสติปัญญาพูดให้ฟังแล้วเข้าใจบางคนสติปัญญาพูดแล้วไม่เข้าใจนี่ป็ด น, อ, น, น, นอยังนั้นเ่าทุกคนมาที่นี่มีสติปัญญาเหมือนกันทุกคนแต่ว่า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 เคยลูดย่าวะเป็นศาสนาเนี่ยเข้าใจยังไพสงฆ์องค์เมนเป็นตัวศาสนาเข้าใจยพระพุทธรูปเนี่เป็นตัวศาสนาอุติเรี่ยหานโบสถาราการปรเรียนเป็นศาสนาเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทำบุญมากๆตายแล้วต้องไปเปิดนองสวรรค์ไม่รู้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องตัวเองมาพูดเนี่ย อันนี้แสดงว่ารู้แต่ไม่รู้รู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างคนไม่รู้อารู้อย่างผู้รู้เป็นอย่างไรรู้อย่างที่รู้เป็นอย่างไรรู้อย่างผู้รู้คือรู้ตัวเองกําลังทำกํากลังพูดกําลังคิดอันนั้นเป็นศาสนาสมมติรู้จักตัวศาสนาจริงๆนันอยู่ที่ไหนคือตัวทุกคนนั่นแหละเป็นโัวเตา ศาสนาสิ่งแหว่าคําสั่งสอนของท่านพุทตอนนี้ไม่ได้เป็นพุทธศาสนานะใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนคนรู้เรื่องไหว้พระก็นําเรื่องไหว้พระมาสอนคนเรื่องรู้เรื่องรักษาศีลก็นําเอาเรื่องรักษาศีลมาสอนคนรู้เรื่องให้ทานก็นําเอาเรื่องให้ทานมาสอนมาเจอคนรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเนี่ย าศาสนาจงแปลว่าคำสอนของผ่านคูรู้เนี่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ไ ง, ง่ายง่าอย่างที่เจ้าทายศิรตถะภุมมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการบวชนะไปศึกษากับอาลาดาบทุทธพกาดาบทสองอาจารย์นี้จนได้สมาบัติแ ต, ตสมบัติเจ็บไม่พูดอันนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นพุทธศาสนา ตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเข้าใจว่าอันนั้นเป็นพุทธศาสนาเข้าใจแล้วอันนี้แหละรู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างผู้รู้คืออันนั้นไม่ใช่เป็นพุทธศาสนา ร, รู้อย่างผู้รู้เองอันนั้นไม่ใช่เมื่อทําสมาบัดแปดได้แล้วก่นี้ไม่ได้ทางคนฟุกพระองค์คนหนึ่งนี้มาก็มาทําทุกข์กับพิริยาเช่นมาอดข้าว ไม่กินข้าวอุดน้ําไม่กินน้ําขั้นลมหายใจเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วกลัววิญญาณหรือกลัวสัตว์ร้ายกลัวอะไรจะเข้ารู้จมูกแล้วองาสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะมาโดยกระแสลมไปเนี่ยครจะเข้ามาในรูจมูกนำเส้อโรคอะไรต่างๆหรือบางทีจะเป็นคลคิก้ายวาคาสัตว์ไม่เป็นอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า อันนี้พระองค์เคยสอนเอาไว้ว่าทางไม่ใช่ทางแกมันเป็นทางปฏิบัติทางที่ดีที่งามแต่ไม่ใช่ทางคนพกุกขทั้นั้นอันนี้ก็พูดให้ฟังคำว่าวิญญาณเนี่ยเราเข้าใจว่าตายแล้วต้องไปเกิดเมื่อวานตายแล้วต้องล่องลอยไปเกิดนรกตายแล้วต้องไปเข้าท้องคนนั้นคนนี้เป็นเกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมาคุณเกิดกี่ครั้งแล้ว ไม่ทราบคุณครัไม่ทราบน่าจะไปจำได้ก็่ที่นะครับคุณกศริจครับอันนี้แหละมันเข้าใจวิญญาณแเจว่ารู้กันพระองค์ท่านบอกวิญญาณแเจว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วร่องรอยไปอย่างนั้ะยานีอ้อันนั้นมันมีมากร้อนสอนกันมาแล้วเรื่องนี้เรื่องสวรรค์นี่พานก็สอนกันมาแล้วแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเอง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 ท่านสอนให้ทุกคนรู้ปัจจุบันในขณะที่กําลังทํากําลังพูดกําลังคิดให้เห็นจิตใจตัวเองไม่ได้เห็นแต่รูปอันนี้เสร็ยอันนี้รูปอันนี้เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกคิดนั่นน่ะมันไม่มีตนไม่มีตัวท่านจึงสอนย้ําเข้ามานทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญ นี่โลดทําให้แ้่อันนี้ก็ตาลาทานก็พูดไว้อย่างนั้นคว่ามักต้องกำหนดรู้เนี่ยเราก็ต้องไปที่จารานนาอัุถะเกษาโลมานักหาอัุถะเข้าใจหรือไปนั่งกรรมฐ า, านพี่จารณาตับไส้ไส้ปลอดออกมาสําและเนื้อกายของเราเนี่ยเข้าใจยังอันนั้นก็ดีนะอันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนแล้วนะ แต่เราก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจแต่พระองค์ท่านสอนให้เรารู้แล้วหลับตาลงไปมองเห็นสีสแสงถีเท ว, วดานรกสวรรค์อันนั้นก็ยังไม่รู้เนี่ยมีคำคำหนึ่งคนบูราณท่านสอนเอาไว้ว่าจิตคนนี่มันไวจิตนี่มีคนใคร่ก็กลับได้ไว ดุดมีลานไขไน่ในตนเราท่านควรบังคับกลนให้จิตหมุนมาจะในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างขี้ทาที่มีก็จากหนีจากนายหายสูงท่านทาที่มีนั่นคืออะไรทาที่มีก็ควรมรู้สึกนั่นเองเราไม่รู้สึกก็หนีจากเราไปแล้วนี่ระทมเข้าครอบงาควรมละยันสมบูรณ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 เยวนี้คุณโกรธไหมปัจจุบันนี้ไม่สแสดงว่าคามไม่โกรธนั้นมันมีอยู่ในคนทุก ค, คนนี้แต่ความโกรธนั้นมันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ก็เพราะเราไม่รู้ตัวคิดนี่เองสมุทัยต้องละเนตอนสองเราก็เลยไม่ไม่ละตัวสมุทยัยเพราะดีมันคิดวิพากษ์วิจารเข้นมากะ่ะดีใจสับสนแต่ว่ามันเป็นความรู้เนี่ยมันสร้างปากบกตานปิดบังตัวเองไว้และความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้มัน พราะเราไปสร้างตัวนั้นนักมัเข้าไปตัวนั้นอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆไม่ยากคือให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนและมันเป็นสมบัติของมนมุษย์มันเป็นสมบัติของเทวดามันเป็นสมบัติของพระาจ้าความไม่รู้สึกตัวนั้นมันโงหั้างมันเป็นสมบัติของอัปพัมมันเป็นสมบัติ ของผูก ท, ทนมันเป็นสมบัติของสัตว์เอกสารถ้าจริงวความไม่รู้สึกตัวนี่แหละกำลังทำกำลังพูดหน้าละอายมันจริงจริงหน้าละอายมันจริงๆถ้าหากคนไหนรู้สึกตัวในขณะทำพูดคิดทันว่าเห็นหนักบาตก็ได้เพราะว่าไม่หลงตัวการทำการพูดการคิดนั้นจริงวะไม่เป็นบาต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 จิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วท่านให้กลับคืนมาอยู่กับกลุมเคลื่อนไหวนี้แล้วจิตใจมันจะละมันเองเราลองกำมือมันไหมรู้ไหมแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็มาจับตัวเราแรงๆมันขาดดุมมันขาเลิกควมคิดตัวนั้นได้ถ้ามันคิดแรงๆมันเข้าไปในความคิดมันไม่หยุดแล้วก็เอามือมาเคาะหน้าเราปุบมันเจ็ดรู้สึกที่นี้ความคิดมันก็ว่างเลยมันก็มามาอยู่ที่ตัวเรานี่เอง นี่สมุทัยต้องละไม่แต่ไปคุมละอันนั้นบัดนี้เราอยากละบัดนี้โอ้ยมันคิดไม่ชอบนอนไม่หลับอยากละเป็นสองทุกข์ขึ้นมาหนึงมันคิดเป็นทุกข์แล้วสองอยากละเป็นทุกข์แล้วเนี่ยยังว่าเราเข้าใจไม่เหมือนกันสมุทัยต้องลมักต้องจเจริญมักก็คือรู้สึกตัวนี้เองทําบ่อยๆทําบ่อยๆคมเคยเป็นความชำนาแล้วก็มีขึ้น นี่โลดกคนไปถ้าคุณคิดมากๆคุณออก็เอามือบอก๊กบา้านเรื่มรลุดจากความคิดอันนั้นกันก็เป็นวันนี้โลดก็พ้นได้ทุกขั้นละก็ได้หรือจะพ้นไปได้จากผู้หนึ่งงามเดียวก็ได้แล้วคุณไปทําอยู่ที่ไหนมันก็ได้เลยอย่างแต่ขอให้มีคนแนะนําให้มีผมรู้จริงๆเนี่ยนี่โลดก็พ้นไปมันจะพ้นไปที่ไหนพ้นไปจากความเป็นผูน้ทุกซน ผู้ทุสชนเขาว่าพูดหนาแน่นด้วยอวิธาผู้ทุสชนแปลพูดหนาแน่นอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดนี้จะว่าคนมันไม่รู้จักทุกข์ในจิตแต่มันรู้แต่มันรู้อย่างไม่รู้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนแต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเรื่องอดีตอ น, นาคตนั้นมันช่วยเราไม่ได้ท่านสอนนี่เ น, นี่นตัว ท, ออาทําสมาธิตัวสงบง่าย คำว่าทําสมาธินั่นก็หมายถึงตั้งใจสงบก็หมายถึงมันไม่ปรุงแตกคือมันไม่โกรธขึ้นมามันจะโกรธขึ้นมาเราเห็นหน้าละอายนั้นเองแต่ความจริงเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจเราอยู่เสมอแล้วก็โคมโกรธไม่เกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีโคมโกรธแล้วทําการทาําั้นเขาไม่ค่อยพลดผิดกิเลศพันห้าตันหาน้อยแตกันวมันเกิดขึ้นที่ใจทั้งนั้น เราไม่เคยรู้ใจเราก่อนที่จะรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายไปเลยนะอาตอมาเริ่มทํมากรรมฐานมาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงอายุ46ปียังรู้โอนั้นก็ดีแล้วแต่มันไม่ใช่แต่ น, นี้ยิ่งว่าการทําสมาธินั้นจึงไม่ต้องทําแต่ทํานี่เขาไม่ต้องทำแต่ทําหมายถึง ว่าจะไปทํำที่ไหนก็เรารู้สึกตัวเรียไปทําอะไรอีกแล้วก็วคนรู้สึกที่มันมีทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันมีทุกคนนะแต่คนไม่รู้กับมีสฉพาะภูทุสลถ้าพูดอย่างนี้พวกเราจะเป็นเสียใจมันไม่ได้ผลยัว่าเราทุกคนสามารถทําตัวของตัวได้ให้เป็นอริเบุคคลแต่ทีแรกมันก็ต้องเป็นภุทุสุเมื่อรู้แล้วก็กลายเป็นเทวดา กายเป็นอะไรแบบคนขึ้นไปเป็นอนยะังไงเนี่ยควมเป็นพระจึงว่าแต่ผู้ประเสรฐพระจึงหมายควรว่าผู้ประเสริฐคำว่าประเสริฐเนี่ยเราเข้าใจกันหมาชีวิตไม่ทุกข์กแล้วกับประเสริฐแล้วถ้าชีวิตยังเป็นทุกข์อยู่ก็ประเสริฐไม่ได้เป็นอนยะังไงคุณมีควมรู้อยู่นี่ก็คงจะมีหลายคนนักปัญญาคงจะได้สิบหรือยี่สิบคนเนี่ยอาจจามาเข้าใจเรียนหนูซื้อให้หน เรียงสั้นไหนมีจบมาแล้วจะเกิดตายก็เป็นปริยาธรงนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นปริยานี่มันเป็นอยังไงหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นผู้ภาษาการนี่ก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าเป็นเป็นสำเนียงเพิ่มความฝึกหัดออกมานีเองดังนั้นควรมั่รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสมบัติของผุ้ทุกคนฉันา็อย่างนี้ รวมรู้สึกตัวนั้นมันเป็นสมบัติของพระญบุคคลให้เข้าใจอย่างนั้นคําว่าหลุดพ้นเนี่ยก็หมายถึงหลุดพ้นไปจากควไม่รู้นั่นแหละรู้แล้วบัตรเนี่ทั้งหมดนี่มันมันรวมที่ใจใจคําว่าใจใจเนี่ยพูดได้ทุกคนแต่ว่าไม่เคยรู้รู้รู้มันคิดไปก็ไปตามมันไปมันคิดอยากทำอะไรก็ไปตามมันไปนี่มันไม่รู้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 พอดีหนูไปแมวก็ติดไปเลยแมวมันไม่เคยกลัวหนูไม่เคยกลัวเลยเพราอย่างนี้เข้าใจไม่หนูนะอพอที่จะเข้าใจบ้างนะเพราะมันกลมเปรียบเทียบของแมวมันตัวเล็กก็หมายถึงผมรู้เรื่อสติเรื่องกลมรู้ตัวนีื่มันน้อยมันก็นเลยเข้าเป็นผมคิดท่านผมคิดก็ลากเราไป บันนี้มันเหนื่อยเด้กับเตาคนเดียวมันคงคิดแต่เราคนเดียวมันมากับรู้ตัวเองอีกบัด น, นี้พยายามทําความรู้สึให้มากอย่าไปโทษแมวทําไมจับหนูไม่อยู่อย่าไปคิดมันเราก็พยายามทําให้มันรู้สึกมา ก, มากไปไหนมาไหนให้มันรู้สึกตัวมากๆแต่จะไปให้รู้ผมคิดทีแรกถ้าไป็รู้คมคิดเข้าไปในคมคิดเราต้องมารู้อยู่กับรู้ภายนาน้องดี๋ยวทุกต้องกําหนดรู้กําหนดตัวนี้ตัวนี้มันเป็นวัตถุ มันจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาพอได้มันคิดปุ๊บมันไม่อยู่แล้วมันเป็นทุกต่อมือสักงโป๊ะเสซนภาคามันมันเจ็บพอที่มันเจ็บมันก้มคิดมันหยุดทันทีมันก็เข้ามาเอาตัวนี้เลยพอดีเข้ามาตัวนี้มันก็เลยวางความคิดตัวทํานทำบ่อยๆมันก็เลยรู้สมุทฐานของความคิดบัดนี้มันก็เลยรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวรู้นี่มีกําลังแรงมากขึ้นมากขึ้นเลนสมมุติอนักหนุ่ย นักมวยเนี่ยคู่ต่อสู้ขึ้นมาเราไม่ต้องไหว้คูและแบบ น, นี้นักมวยไม่เก่งต้องไหว้ครู่คำคันไหว้ครูนี่พอที่จะรู้ไหมคนใดเป็นนักมวยไม่เก่งต้องไหว้คูคนใดเป็นนักมวยเก่งเนี่ขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้คูคอยจ้องแต่ซกแต่ลุมตาสองทองีคนที่ไหว้ครูนั่นหมายถึงโอ้ตำนาพูดว่าอย่างไรลืมตัวไปอีกแล้วต่อยู่กับตำสาคนเลย นึกถึงตำนาตำนามันช่วยเราได้อย่างไรช่วยได้บางอย่างแต่ให้เรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยบัด น, นี้พอดีมันคิดปุ๊บซุกลุมตาทีเดียวแล้วก็โลมหลวงพ่ต่อสู้กับสู้เราในใไดก็แปลว่ามีโลดพ้นไปแล้วนี่มันจะยากทุก่างง่า ย, ายดังนั้นที่ว่าไปไหนมาไหนต้องทำาวมรู้สึกนี่แหละให้มาก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 รูปนามก่อนให้รูปจักจริงๆรูปนามนี้อย่าไปติดตำลารูปได้กค่การเคลื่อนไหวนี่เองนามคือมันรู้สึกอยู่กับรูปนี้เองให้รูกจริงๆหลวงพ่อเคยรู้มารูกสิ่งที่มองเห็นด้วยตานามคือคุณค่าของที่ม น, น, นุษย์ันไม่หลบงพเรียนเป็นเมตรแต่เมื่อมาปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่าง รูกกับนาำมันติดกันอยู่ในเครื่องไหวมันเป็นลูกนามมันก็ต้องรู้ไปด้วยเนี่ยอย่รูปน้ำลูกทํานาำทารูปอันนี้เองไปทําทําดีก็ลูกอันนี้เองทําชั่วกับรูกอันนี้เองเหมนลูกทำน้ำพอดีลูกอันนี้ทําใจมันก็ทําไปด้วยเนี่ยบินทําดีเขาเรียกว่ากุศลทําชั่วดีว่ากุศลเราทําชั่วบินเราก็ไม่มีความละอายเลยเมื่อทําชั่วอยู่แล้วความดีมันก็หนีที่บิน ว่าทำเข้าเข้าแนวหัวระยำสมบูรณ์กว่าปี้นปอกหลอกเรา เ, เราก็นึกว่ามันถูกต้องอันนั้นแต่ความจริงมันถูกแบบคิดของเองในป็น่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จริงๆสภาพความปรากฏการขึ้นมามันนึกขึ้นมาอดมันคิดแล้วเห็นรู้เข้าใจความคิดมันเลยหยุดไปอันนี้เป็นภาคที่สองเมื่อมันหยุดไปเราก็ทาบ่อย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 รู้โลกนามจะไม่กลัวผีเทวดาไม่กลัวเลยเร้เพราะเรารู้แล้วเรามีตาทิพย์แล้วเราเห็นแล้วผีเทวดาเราเห็นแล้วขั้นที่สองเราเห็นจิตใจนึกคิดสมุทฐานของผมคิดโอ้โคมโโคเรว่าโทคสัคมหลงเรียกโมหะโคมโลกเรียกว่าโลภโอ้มันเกิดมาจากที่นี่เราก็เลยเห็นที่นี่โคมโโคก็เกิดขึ้นไมได้ อันนี้เรียกว่าเมื่อเรากําลังทําดีอยู่แล้วความชั่วมันหายไปทันทีความชั่วคือไม่รู้ที่ตรงนี้เขาใจย่างนี้ง่ายเดี๋ยวเมื่อเราทำความชั่วอยู่แล้วความดีมนันหนีไปทําความชั่วยังไงเพราะเราทําเราไม่รู้จักใจเราหนี่ความดีมันกหนีที่บไหนเพราะเราสร้างความดีขึ้นเนาะความชั่วนก็หายไปจะเปนตรงกันข้ามเราก็รู้สึกนึกขึ้นนะโอ้นี่มันมใน้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 กลต์แปลว่ายามเหนียวสมมุติเอาอยางไม้ก็ได้สมมุติเอาอยางที่มันสกปรกนี่ก็ได้เอาผ้าขาวเรานีไปไปถูกกินน้ําสีพอดีน้ําสีมันจะติดผ้าขาวทันทีเลยพอเดีมันติดแล้วเราไปซักผ้าขาวมันก็นานออกใส้เวลานานนันยังออกหมดได้นะแต่ว่าบางทีไม่ออกหมดก็ได้ในตนุน่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องทําบ่อยๆ ทำบ่อยๆนานๆมาโวมเคยติ่มแล้วก็ค้ อ, ง, องแพร่วองไว้เหมือนกับตัวแมวจับหนูปุ๊บหนูตายทีเลยซอกเขาเลยเพราะหนูมันไม่เคยให้แมวจับแมวมันจับอย่างเรยียนดิ้นแมวกินหนูก็เลยไม่มีเลือดเนี่ยมันมีอย่างนี้เลือดมันแค้นเขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอดิมันคิดปุ๊บเราเห็นมันมันก็เลยหยุดไปกันไปอย่ารูปทานก็เลยไม่มีนี่เป็น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 มันคันที่ตรงไหนต้องไป่เก่าที่ตรงนั้นดังนั้นความผิดที่ตรงไหนต้องแก้ที่ตรงนั้นเราจะไปแก้ที่อื่นมันไม่ได้จังหวะก่ อ, อนที่จะทําจะพูดจะคิดต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้จังหทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความเด็ดขาดความก้าหารถ้าไม่กลัว